สิ่งที่สังคมบัญญัติเมื่อมองจากแง่ของรรมนิยามประเภทที่สองคือสิ่งที่บัญญัตินั้นกระทบถึงกุศลและอกุศลในกระบวนการของรรมนิยามด้วยในกรณีเช่นนี้สังคมอาจบัญญัติความดีความชั่วด้วยความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลคือรู้ว่าอะไรเกื้อกูล อะไรเป็นโทษแก่ชีวิตจิตใจของมนุษย์หรืออาจบัญญัติด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเลยก็ได้แต่ไม่ว่าสังคมจะบัญญัติว่าอย่างไรก็ตามความเป็นไปตามกมนิยามก็ย่อมเป็นไปของมันตามปกติหาได้เปลี่ยนไปตามบัญญัติของสังคมไม่ยกตัวอย่างสมมติว่าในสังคมหนึ่งคนถือว่าการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาเป็นการกระทำที่ดีงาม ทำให้คนมีความสุขควรสนับสนุนถือว่าการมีอารมณ์รุนแรงเป็นสิ่งที่ดีถือว่าควรปลุกเร้าคนให้ตื่นเต้นเคร่งเครียดอยากได้อยากเอาวิ่งหาแข่งขันอยู่เสมอจะได้ทำงานสร้างสรรค์ได้มากถือว่าฆ่าคนพวกอื่นเป็นความดีหรือประณีตขึ้นมาอีกว่าฆ่าสัตว์เดรัจฉานไม่บาปเป็นต้น กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าความดีความชั่วในสมมตินิยามขัดกับกุศลและอกุศลในกรรมนิยามถ้ามองในแง่สังคมบัญญัติหรือข้อยึดถือเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลดีบ้างผลร้ายบ้างแก่สังคมเช่นการถือว่าเสพสิ่งเสพติดมือนเมาเป็นการดีอาจช่วยให้รัฐมีรายได้จากอากรสรรพสามิตเป็นต้นเพิ่มขึ้นไม่น้อย แต่พร้อมกันนั้นก็ทำให้คนจำนวนมากในสังคมนั้นเป็นคนเรื่อยเปื่อยเฉยชาสังคมนั้นมีอาชญา ก, กรรมเช่นลักขโมยมากมีคนเจ็บป่วยไม่สมประกอบเนื่องจากเหตุนี้เป็นต้นหรือการมีชีวิตที่เคร่งเครียดแข่งหาแข่งเอาตลอดเวลาอาจทำให้สังคมนั้นเจริญก้าวหน้าอย่างมากและรวดเร็วแต่ต่อมาอาจปรากฏว่าสังคมนั้นมีคนเป็นโรคจิตและโรคหัวใจกันมาก มีการฆ่าตัวตายมากมีปัญหาทางจิตและปัญหาสังคมอื่นๆมากผิดปกติหรือในสังคมที่ถือว่าฆ่าคนพวกอื่นได้เป็นการดีคนของสังคมนั้นมีลักษณะที่ปรากฏแก่คนพวกอื่นว่าเป็นมนุษย์ที่โหดร้ายควรหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเป็นต้นผลต่างๆที่ปรากฏในระดับสังคมเช่นนี้หลายอย่างอาจสืบเนื่องมาจากกรรมนิยามด้วย แต่กระนั้นในเบื้องแรกผลที่เป็นไปในด้านสังคมก็พึงพิจารณาในแง่สังคมผลในด้านกรรมนิยามก็พึงพิจารณาในแง่กรรมนิยามแยกต่างหากจากกันก่อนเสร็จจากนั้นแล้วจึงค่อยโยงเข้ามาหากันในภายหลังเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าถึงผลในด้านกรรมนิยามเจตนาในเรื่องนี้ซ้อนกันอยู่เป็นสองชั้นคือ เจตนาที่ประกอบด้วยความยึดถือตามบัญญัตินั้นที่แสดงออกเป็นความเชื่อถือและค่านิยมเป็นต้นและเจตนาในการกระทำตามหรือไม่ยอมกระทำตามบัญญัติเฉพาะในคราวนั้นๆแต่ไม่ว่าในกรณีใดการได้รับผลตามกรรมนิยามย่อมเริ่มดำเนินในทันทีเริ่มแต่ตั้งเจตนาดังตัวอย่างข้างต้นคนที่จะเสพสิ่งเสพติดมึนเมาพอจะเสพ เจตนาก็ประกอบด้วยความกระยิมอย่างมัวซัวเมื่อเสเป็นนิดก็สั่งสมสภาพจิตอย่างนั้นเป็นนิสัยคนที่เคร่งเครียดแข่งหาแข่งเอาจะทำงานแต่ละครั้งเจตนาก็ประกอบด้วยความเครียดเร่งร้อนและสั่งสมสภาพจิตเช่นนั้นไว้คนที่ตั้งหน้าฆ่าผู้อื่นแม้จะได้รับความยกย่องและรางวัลในสังคมของพวกตน แต่ในการกระทำคือการฆ่าแต่ละครั้งก็ตั้งเจตนาที่ประกอบด้วยความครื่งเครียดเหี e hm ่ยมเกรียมหรือกระเฮียนกระหือรื อ, ห, รอหากปล่อยใจไปเรื่อยๆก็จะมีการสั่งสมสภาพจิตเช่นนั้นจนอาจกลายเป็นบุคลิกภาพทั้งหมดของเขาคุณภาพของจิตจะเป็นไปในทางที่หยาบมากขึ้นแต่เสื่อมเสียความประนีดความนุ่มนวลละมุนละไมและความละเอียดลึกซึ้งเป็นต้น